162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกหกดูกระร้าอนนนท์คราวใดเล่าภิกษุไม่เล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตาไม่เล็งเห็นอัตตาว่าไม่ต้องเสวยเวทนาก็ไม่ใช่ไม่เล็งเห็นว่าอัตตายังต้องเสวยเวทนาอยู่ เพราะว่าอาัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาพิสูจนนั้นเมื่อเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกและเมื่อไม่ยึดมัน่นย่อมไม่สะทกสถานเมื่อไม่สะทกสถานย่อมปรินิพานได้เฉพาะตนทางรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอนนท์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าทิิว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์ยังมีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์ไม่มีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ดังนี้ ภะพิสู่ผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้การกล่าวของบุคคล น, นั้นไม่สมควรข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระอานนชื่อทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุติบัญญัติทางแห่งบัญญัติการแต่งตั้งทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาวัดใยังเป็นไปอยู่ตราบใด วัฏฏะสงสารยังคงหมุนเวียนอยู่ตราบนั้นเพราะรู้ยิ่งวัฏฏะสงสารนั้นภิกษุจึงหลุดพ้นข้อที่มีทิฏีิว่าใครๆย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะรู้ยิ่งวัฏฏะสงสารนั้นนั้นไม่สมควร